มีข้อแก้ตัวพัะทำแบบวินัยมีอยู่ทำไมไม่ไดีหนูวัดวัดพระมีธรรวินัยนะมาดือยู่แบบเลยโลกเข้าไปได้เลยมันอัดมันนั่นปัญหาที่ภาวนาไม่ได้เลยก็รู้กันอยู่นี่ให้ออกไปแล้วยังยิ่งกลับมาอีกมาหาอะไร ก็ให้ออกไปแล้วนั่นฟังดีแล้มาแล้วยุ่งทุกด้านทุกทางเลยนะมายังกระตุกกระเทือนเรงการรับการส่งอีกในยุ่งในวัดนี่ยุ่งไปหมดรับพระส่งพระแล้วลโดดกับรถคันนั้นไปโดดกับรถคันนี้มาแอบไปคันนั้นแอบมากคันนี้อยู่เนี่ยเขาลำคาญด้วย ไม่ได้ธรรมดานะต้องให้รับให้ส่งไม่ยุ่งมากอความอนุายากทาไมพระกรรมฐาน นักบวชเราและเป็นนักปฏิบัติด้วยเพื่งทำความรู้สึกตัวอยู่ด้วยทมด้วยวินยัยโดยทางสติและทางปัญญารับรู้และพินิพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอว่าทางที่พระพุทธเจ้า และระสาวกอาราหันท่านดําเนินจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นความอัศจรรย์ในจิตดวงที่หลุดพ้นจากทุกขนั้นด้วยเป็นความอัศจรรย์ของจิตที่เป็นธรรมล้วนนั้นด้วยท่านดําเนินอย่างไรหลักการดําเนินของท่านท่านดําเนินอย่างไร ให้ยืดหลักนั้นมาไว้เป็นหลักใจของเราทนุท่านอมไว้ด้วยชีวิตจิตใจมีสติปัญญาคอยรับทราบและพิจารณากันกรองสิ่งที่จะเป็นภัยต่อจิตใจในเอียบททั้งสีให้อยู่ด้วยสติความรับทราบรักษาอย่างใกล้ชิด ที่จิตใจปัญญาพินิจพิจารณาใคร้ครวนในสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นโทษอยู่โดยสม่ำเสมอนี่ชื่อว่าผู้ดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหรันท่านที่ดำเนินมาแล้วจนถึงความพ้นทุกข์หลักธรรมท่านก็ประกาศไว้แล้วว่า ว่าขาธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมไม่มีสิ่งที่ต้องติดตั้งแต่พื้นพื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงที่สุดหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงด้วยธรรมเหล่านั้นที่ตรัดไว้เรียบร้อยแล้วหลักวินัยได้แต่สองฝากทางที่เป็นรั้วขนาบเอาไว้ ไม่ให้ปีนรั้วคือพระวินัยน้อยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นขาบทเล็กน้อยหรือสุดขาบทใหญ่โตคอขาดบาดตายให้พึงเห็นว่าเป็นรั้วกัน้นไว้อย่างหนาแน่นอย่าฝ่าฝืนอย่าล่วงเกินให้ดําเนินตามหลักทาหลักวินัยที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างใดแม้จิตใจจะยังไม่เป็นไป ในธรรมทั้งหลายมีสมาธิธรรมเป็นต้นก็ตามแต่ใจของผู้มีธรรมมีวินัยที่รักษาไว้อย่างเข้มงวดกวดขันย่อมมีความอ บ, บอุ่นภายในตนไม่มีความระแคะระคายระแวงแพงใจว่าศีลของตนไม่บริสุทธิ์การบำเพ็ญกิตตภาวนาก็เป็นไปไะดะ้ง่ายกว่า ผู้ที่มีศีลไม่บริสุทธิ์ด้วยความระแคะราคายของตนแม้จะไม่มีเจตนาแต่เป็นความพังเผลอได้ปิดพลาดในศีลนั่นก็าตามย่อมจะสร้างความกังวลประหนึ่งว่าตัดขากตัดน้ำไว้กั้นทางของเราโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น จึงต้องถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นชีวิตจิตใจฝากเป็นฝากทายไว้กับพระธรรมและพระวินัยนั้นตลอดไปการแสดงทางออกไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าเพราะความเมตตาสงสารโลกหาประมาณไม่ได้ ไม่มีความสงสารใดที่จะเกินพระพุทธเจา้าสงสารมากเมตตาคือความรักในสัตว์ทั้งหลายอยากให้ได้รับความสุขดีพ้นจากทุกข์โดยทั่วหน้ากันก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจา้า เพราะฉะนั้นพระวาที่ทรงแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่พื้นพื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงวิสิทธิ์วิมุติแห่งธรรมจงเป็นไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดสายไม่มีที่ว่างเป็นว่าพระเมตตาได้ขาดบักขาดตอนและเจตนาของพระองค์ที่จะหวังหรือขนจัดนั่นได้ว่าขาดบักขาดตอนไป มีต่อสัตว์โลกอยู่โดยสม่ำเสมออย่างนี้พระธรรมที่นำมาสั่งสอนสัตว์โลกมีภิกษุบริษัทผู้ประพฤตปฏิบัติตามศาสนธรรมความเชืเป็นต้นก็ไม่มีความรู้ในสถานที่ใดโลกใดทวีปใดที่จะเป็นความรู้ที่ผู้ปฏิบัติตามแล้วได้รับความร่มเย็นเป็นสุข ในภาคเป็นภาคพื <moon> ้นและได้รับความพ้นทุกข์โดยลําดับลําดายจนกระทั่งถึงพ้นทุกโดยสิ้นเชิงไม่มีใครจะเหมือนพระพระวาาใดไม่เหมือนพระวาดของพระเจ้าที่ส่งสอนสัตสัตว์โลกรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้เลยประมวลลงแล้วก็คือพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาธรรมทั้งหลายที่นํามาสั่งสอนโลก มีภิกษุบริษัทเป็นต้นการสั่งสอนภิกษุบริษัทจึงเน้นหนักลงในธรรมที่มีพิษมีสงต่อสิ่งที่เป็นค่าศึกเป็นอย่างมากแต่พูดถึงน้องความเพียรก็เพียรอย่างถึงใจนั่นทันว่าวิริยะผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องเพียรอย่างถึงใจ ความอุตสาห์พยายามความคิดความอ่านสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกแง่ทุกมุมต้องทุ่มกันลงอย่างเต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่วยนี่การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นแล้วผู้ปฏิบัติของเราที่อยากว่าภาชนะสำหรับรับรอง พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงออกด้วยความเมตตาสงสารเต็มพระไถ่นั้นเป็นภาชนะประเภทใดหรือเป็นภาชนะอิทธเหลือถลายอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นหม้อก็คว้ามเอาทางปากลงเอาก้นขึ้นเอาน้ำมหาสมุทรทะเลมาเทลงไปก็ไม่มีน้ําหยดไดที่ข้างอยู่ในก้นหม้อนั้นเลยเพราะเป็นก้นหม้อข้างนอกไม่ใช่ ปากหม้อที่หงายไว้แล้วเพื่อรับน้ําส่วนมากผู้ปฏิบัติของเรามักเป็นเช่นนั้นจึงเป็นเรื่องของความเถลีถลไยโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบว่าตนได้ถลีถลายออกนอกลูกนอกทางแห่งธรรมเพื่อความปลอดภัยไร้ทุกข์ยึงขนตั้งแต่เรื่องความทุกข์เข้ามาสู่จิตใจทางตาทา ง, ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีแต่ทางไหลเข้ามา แห่งกิเลสทั้งหลายเพื่อก่อความทุกข์บีบคั้นภายในจิตใจของเราไม่ขาดว่าขาดตอนก็เพราะเหตุอย่างความไม่มีสติเพราะเหตุแห่งธรรมทั้งหลายที่ว่าจัดทาริยาสติสมาธิปัญญาอ่อนกำลังหรือไม่มีภายในจิตใจนั่นเองจึงเปิดช่องเปิดโอกาสให้สิ่งที่เป็นฆ่าศุกไหลเข้ามาตามช่องทางของมัน ได้โดยสะดวกสบายไม่มีสิ่งคัดค้านต้านทานกันบ้างเลยเพราะทำเครื่องคัดค้านต้านทานหนึ่งมีน้อยสองไม่มีมีน้อยก็ไม่พอจึงต้องในพยายามทุกแง่ทุกมุมตกี้ตะกี้นี้ได้กล่าวถึงธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงต่อ จัดทั้งหลายมีภิกษุบริษัทเป็นต้นมีแต่ทำรรที่เด็ดเ ด, ด็ดเผ็ดร้อนๆทำที่ทันการทันสมัยทานคุณมายาของกิเลสทุกแหนทุกมุมเพราะพระองค์ทรงได้ดําเนินมาแล้วถ้ารบก็ได้รบมาแล้วต่อสู้มาแล้วขึ้นเวทีมาแล้วได้ชัยชนะกิเลสบรรลัย ล, ลงจากเวทีไม่ใช่เพียงแต่แพ้พระธรรมเท่านั้นยันงบรรลัยลงไปไม่มีอะไรเหลือ บนเวทีคือพระจิตของพระพธิเจ้านั่นเลยนั่นการดำเนินพระองค์ก็ทรงดาเนินมาแล้วโดยถูกต้องหาที่ตาหนิติเตียนสิ่งใดไม่ได้ยังแนะนำทำอันเป็นฝ่ายเหตุนั้นมาแนะนำสั่งสอนเมตด้วยความเมตตาสงสารสัตว์ทั้งหลายมีภิกษุบริษัทเป็นต้นพร้อมทั้งผลที่ได้รับทรงได้รับอย่างไรตั้งแต่พื้นพื้น ดังที่วันท่านตรัสรู้ที่แรกสรงได้รับเป็นพื้นพื้นท่านก็ทรงแสดงเอาไว้จงกระทั่งวิมุตตุพ้นที่เรียกว่าตรัสรู้ในวันคืนเดือนหกนั่นคือผลของท่านที่ส่งได้รับก็แสดงไว้หมดทุกแง่ทุกมุมแต่ผู้ปฏิบัติฉะนั้นขอให้ทุกๆ ท, ท่านที่มาศึกษาอบรมให้ศึกษาอบรมด้วยความตั้ง อกตั้งใจจริงๆด้วยความฝากฝืนสิ่งที่เคยเป็นภัยต่อจิตใจของเราอย่างแท้จริงอย่าสักแต่ว่าเล่นอย่าสักแต่ว่ามาคืออย่าสักแต่ว่าฟังสักแต่ว่าอยู่ไปแล้ว เ, ว เ, วเวหลวไหลหาสาระแก่นสารไม่ได้นี้มีจํานวนมากต่อมากเพราะฉะนั้นจึงทําให้เค็ดหลบับสำหลับผู้แสดงแม้อย่างผมเองก็ดีไม่ได้มีความรู้ ะเอียดละอออันใดก็ตามก็ยังอดความที่จะให้หนักใจไม่ได้เพราะผู้ที่มาศึกษาไม่ตั้งกกตั้งใจตามเจตนาของเราที่แนะนาพร่ำสอนเรื่อยมาตั้งแต่วันได้เกี่ยวข้องกับหมูกับเพื่อนเป็นอย่างไรเหตุผลที่ได้ดำเนินมาเหตุคือการดาเนินดำเนินมาอย่างไรก็เดินนำมาเล่า ให้หมู่เพื่อนฟังจนหมดเปลือกไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยแม้ว่าผลหากจะปรากฏมากน้อยเพียงไรก็แน่ใจว่าได้นามาแสดงแล้วโดยไม่มีสิ่งใดเหลือเช่นเดียวกันและทำที่กล่าวมาเหล่านี้เราแน่ใจถ้าเป็นน้อยเปอร์เซ็นก็เต็มร้อยเปอร์เซจะเป็นกี่เปอร์เซ็นก็เต็มเปอร์เซ็นนั้นๆไม่มีบกพร่องเลยได้นํามาแสดงและเป็นความเชื่อ ในปฏิปทาเครื่องดำเนินมาทั้งเหตุว่าดำเนินมาอย่างไรถูกหรือผิดก็เป็นที่แน่ใจแล้วผลที่ปรากฏอย่างไรบ้างก็ได้นำมาแสดงแจกเพื่อนฝูงฟังด้วยความเมตตาสงสารไม่ใช่เพื่อเพื่อโอ้เพื่ออวดเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารใครก็อยากโออยากอวดโง่แสนโง่ก็อยากให้ตนว่าตนฉลาดไง ชั่วแสนชั่วก็อยากให้เขาชมว่าดีเนี่ยนี่เป็นต้นเรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของทำพูดตามหลักความจริงที่มีที่เป็นไม่มีคําว่าโอว้วะอวดเข้าเครือบแฝงเลยและยังรู้จักการพูดในแง่หนักเบาการเก็บการรักษาการจับจ่ายการแสดงมากน้อยเพียงไรท่านก็รู้จักประมาณของท่านของท่านเนี่ยทำที่เป็นผล ที่กล่าวมาเหล่านี้ก็แน่ใจว่าได้แนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนจนหมดเปลือกแล้วผลเป็นอย่างไรจรึงทําให้หนัก อ, อกหนักใจอยู่เสมอไม่ว่าจะคนใหม่ที่มายังไม่ได้เรื่องได้ลาวแม้แต่คนเก่าที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่พ้นให้เป็นข้อหนักใจในแง่ต่างๆได้เช่นเดียวกันจึงน่าคิดมากสําหรับบรรดาท่านผู้มาศึกษาอบรมทั้งหลายการแก้กิเลส เป็นของที่แก้ได้ยากเพราะกิเลสเป็นตัวยุ่งยากเป็นตัวเหนียวแน่นมั่นคงที่สุดไม่มีสิ่งใดจะเหนียวแน่นมั่นคงและฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสที่ครองอยู่หัวใจสัตว์หัวใจท่านหัวใจเราการแก้จึงต้องได้ทุ่มลงมาอย่างเต็มที่เต็มฐานเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกําลังความสามารถแม่พระธรรมของพระพุทธเจ้าที่จงแสดงแก่สรรโลกก็ได้มาจากความสรุปสลาย ก่อนจะได้ตรัสรู้ก็เคยผ่านความสรุปสลายมาแล้วหากไม่ฟื้นก็ต้องตายไม่ได้มาแสดงธรรมแก่โลกเลยนี่เพราะเรื่องของธรรมก็ต้องขวนขวายถึงขนาดนั้นจึงได้มารบกันกับกิเลสได้ชชนะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ใช่ได้มาด้วยการล้างมือเปิดสักแต่ว่าพระคืยปฏิบัติแล้วก็บรรลุเอาบรรลุเอาอย่างนั้น ไม่ได้เป็นอย่างนั้ น, ท, น, ท, น, ท, นท่านทรงทําแทบล้มแทบตายเป็นยังไงทําที่ขวนทรงขวนขวายมาแทบล้มแทบตายกว่าจะได้มาเป็นอาวุธที่ทันสมัยประหัตประหารที่เด็ดให้หลุดลอยออกไปจากพระไทยถึงกับได้นําอุบายวิธีการนั้นๆมาสั่งสอนจัดโลกหนักหรือไม่หนักเราทั้งหลายก็เลยผ่านแล้วในตําลับตําราและเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเป็นอย่างไรเป็นของเบาไหมธรรมะที่จะได้ ที่ได้มาและวิธีการต่อสู้กับกิเลสเป็นอย่างไรบ้างไม่มีประโยคใดที่จะเบาๆง่ายๆออมมือออมความภาคความเปลี่ยนออมสติปัญญาศรัทธาทุกด้านทุกทางขึ้นชื่อว่าขึ้นต่อกรกับกิเลสแล้วไม่มีสิ่งใดจะออมไว้เลยบรรดาธรรมมีมากน้อยเพียงไหก็ท่มกันลง นั่นถ้ากิเลสไม่เป็นของยากไม่เป็นของเนียวแน่นมั่นคงถึงขนาดนั้นจำเป็นอะไรจะต้องไปทุ่มลงทุ่มลงฟังจี่ตียูงตัวหนึ่งก็ต้องทุ่มลงหมดกำลังอย่างนั้นใครจะไปทาลงได้ลงขอนี่กิเลสไม่ใช่ยูงตัวหนึ่งมีความหนาแน่นมั่นคงขนาดไหนถ้าพูดถึงเรื่องความฉลาดก็เคยครองโลกมาตั้งแต่กับไหน กันใดแล้วในจิตแต่และดวงละดวงให้พึงดูจิตของเรานี้เป็นสำคัญปิดไว้ไม่อยู่ขอให้ดําเนินตามแนวทางของพระริจ่าที่ทรงสั่งสอนนี้เถิดเริ่มตั้งแต่สมาธิคือความสงบเย็นใจด้วยความเอาจริงเอาจังของเราเราจะปรากฏเห็นสมาธิขึ้นมาคือความสงบใจความสงบใจนั้นคือความหดตัวของจิตเข้าสู่จุด รวมอันเดียวกันเป็นความรู้ที่เด่นชัดอยู่ในจุดหนึ่งภายในหัวอกของเรานี้เท่านั้นนะเมื่อสร้างความสงบให้มากขึ้นมากขึ้นความสงบนั้นย่อมสามารถที่จะสร้างฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาของตนขึ้นมาในระดับในระยะเดียวกันเดียวกันจนกลายเป็นความมั่นคงของใจขึ้นมาแล้วเราก็าจะทราบ เราจะเริ่มทราบเรื่องจิตกับเรื่องโลกเรื่องธาตุเรื่องขันเข้าไปโดยลาดับตลอดถึงเรื่องพบเรื่องชาติยิ่งมีสมาธิแน่นหนามั่นคงสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในจิตของตนในภูมิสมาธินี้ก็ยิ่งจะชัดขึ้นไปในระหว่างขันกับจิตที่อยู่ด้วยกันจิตเป็นอย่างหนึ่งขันเป็นอย่างหนึ่งไม่มีไม่ได้มีใครบอกก็รู้ เพราะอยู่เป็นเอกเทศแห่งความรู้อันนั้นที่เรียกว่าจิตเนี่ยอาการเหล่านี้ก็เป็นอาการอันหนึ่งหนึ่งถ้าไม่แยกจากความรู้นั้นออกมาก็ไม่รับทราบกันว่าอาการนั้นนั้นเป็นอย่างไรเพียงเท่านี้เราก็พอทราบได้ยิ่งใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วแยกแยกสกุลกายนี้เป็นของสำคัญเพราะเป็นงานที่ใหญ่โตมากสัตว์โลกทั้งหลายติด ธรรมชาตินี้จึงต้องนำงานอันนี้มาสอนก่อนอื่นก่อนเพื่อนดังพระพุทธเจ้าท่านสอนพระที่อุปสมบทใหม่บวชใหม่ตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่มีงานใดที่จะก่อนงานนี้ได้เลยก็คืองานพิจารณาคลี่คลายผุดค้นลงในสกลนากายที่ใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี้ให้แตกกจัดกระจายออกไปจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชาย เป็นเขาเป็นเราเป็นของน่ารักน่าชอบใจให้กระจายออกไปจากความเป็นเหล่านี้จนกระทั่งถึงกลายเป็นความจริงขึ้นมาแต่ละชิ้นละส่วนนี่เรายิ่งจะเห็นได้ชัดในการแยกธาตุแยกขั น, นจากการแยกธาตุแยกขันนี้ไปโดยลาดับยิตมีความละเอียดละออเพียงไหลเรื่องธาตุเรื่องขันนี้จะพิจารณาให้ละเอียดลงไปโดยลาดับ จนกระทั่งพอตัวของจิต mm hmm. เมื่อความพอตัวของจิตได้เต็มที่แล้วจากงานชิ้นสําคัญสําคัญงานใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี้แต่กระจัดกระจายออกไปจากความเป็นจัตเป็นหมูลเป็นหญิงเป็นชายแล้วกลายเป็นหลักธรรมชาติตามความจริงขึ้นมาทว่าธาตุก็สักแต่ว่าธาตุทวาขันก็สักแต่ว่าขันต่างอันต่างสักแต่ว่าจิตก็หดตัวเข้าไป สู่ความเป็นตัวของตัวเพียงเท่านี้เราก็ทราบได้ชัดตามกำลังแห่งปัญญาของเราในคันนี้ว่าขันกับจิตเป็นอันหนึ่งต่างหากจากกันแล้วจิตนี้ยังมีความสืบต่อก่อขแขนงอยู่กับสิ่งใดบ้างนั่นแลคือเป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติเป็นทางแห่งภพแห่งชาติที่จะ ก้าวเดินออกไปสู่พบสู่ชาติโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นท่านจริงให้พิจรารณาอย่างละเอียดต่ออกก็คือความเพื่อตัดพพตัดชาติตัดสายทางเดินของกิจที่จะออกสู่ภพสู่ชาติด้วยความชำนิทํานานโดยกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นชักโยนไปนั่นแหละให้หมดได้ย่นเข้ามาโดยลําดับลําดาท่านจริงต้องได้ใช้ปัญญาอย่าง ถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องหนักก็หนักที่สุดเรื่องปัญญาที่พิจารณาในส่วนร่างกานี้เป็นปัญญาที่พิจารณาเหมือนกับน้ําที่ไหลโจรลงมาจากภูเขาลงสู่พื้นดินที่ต่าๆนั้นสูงขนาดไหนน้ําจะเสียงดังขนาดไหนนี่แหละปัญญาขั้นพิจารณาชกุลกายนี้เป็นปัญญาที่ผ่าผลโลต้นเป็นปัญญาที่อะไรผ่าผลโจรทยานที่สุด ถ้าเป็นม้าก็เป็นม้าแข่งประเภทที่หนึ่งเลยทีเดียวปัญญาคันนี้รุนแรงมากเหตุที่จะเป็นปัญญาที่รุนแรงก็เพราะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญญาที่จะให้รุนแรงอย่างนั้นมันพอเหมาะพอสมกันกับปัญญาประเภทนี้จะออกทํางานจึงต้องเป็นเช่นนั้นไม่มีใครบังคับไม่มีใครบอกเจ้าของก็รู้เจ้าของเองเมื่อปัญญาขั้นนี้กับ ร่างกายส่วนหยาบนี้ได้ทำหน้าที่ต่อกันจนเป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วก็ปล่อยวางกันลงได้ตามเป็นจริงนี่ท่านเรียกว่าปล่อยวางกายด้วยความอิ่มพอแล้วจากความรู้แจ้งเห็นชัดปัญญาขั้นนี้จะค่อยแปลสภาพตัวเองเข้าสู่ความละเอียด เป็นลำดับและแหลมคมเข้าไปเรื่อยๆก้าวเข้าสู่จำพวกเวทนาทัญญาซิงขานบิญญา น, นี้ก็กลายเป็นปัญญาที่เหมือนกับน้ำทับน้ำซึมไหลลินอยู่ทั้งหน้าแรงหน้าฝนไม่เป็นเหมือนกับน้ำที่ไหลโจรลงจากภูเขาดังแต่ก่อนที่พิจารณาร่างกายนั่นเลยนี่คันนี้เราจะทราบแยนทราบรแขนทราบความประหลิพกพลิงของจิตที่จะออกสู่ อารมณ์ต่างๆซึ่งในขณะเดียวกันก็เท่ากับจะออกสู่พบดูชาติพทอะความยึดความถือความรักความชังในอารมณ์ต่างๆนั่นแหละสติปัญญานี้จะตามต้อนให้รู้ไปโดยลําดับลําดาพอรู้สิ่งใดแล้วสิ่งนั้นนั้นจะขาดออกไปรู้สิ่งใดแล้วสิ่งนี้จะขาดออกไปขาดออกไปโดยลําดับลําดานี่คือการค้นพบค้นชาติดูพบดูชาติภายในจิตใจของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละ ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะอุบายวิธีการต่างๆได้ตรัสไปแล้วด้วยความชอบธรรมไม่มีอะไรผิดให้นำมาพิจารณาเถิดจะรู้จะเห็นดังที่กล่าวมานี้โดยไม่ต้องสงสัยอาการของกิจส่วนหยาบที่ยังมีก็ยึดส่วนหยาบเช่นยังยึดส่วนรูปส่วนกายเมื่อพิจารณารอบแล้วก็ขาดจากความยึดถือในรูปในกายยังเหลืออยู่ส่วนที่นำ ม, มาทมได้แก่เวทนาสัญญาทั้งขันนิยาน สติปัญญาในส่วนที่เหมาะสมกันกับอาการเหล่านี้ก็ทํางานต่อกันด้วยความพิณิตพิจารณาันเป็นเรื่องของปัญญาขั้นกลางขั้นละเอียดเข้าไปโดยลํำดับเมื่อรู้รอบในสิ่งนี้เข้าไปโดยลำดับแล้วไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึดไม่มีที่พิจารณาเพราะอินตัวแล้วพอแล้วในอาการเหล่านี้จิตเยยิ่งจะหมดเข้าไปนั่น ท, ทั้งที่การพิจารณา เพื่อดูพบดูชาติทั้งตัวเองอย่าไปดูต้นไม้ภูเขาอย่าไปดูดิ่งฝ้าอากาศพบไหนชาติใดก็ตามจับประมวลเข้ามาสู่พบคือจิตดวงปัจจุบันที่บรรจุเชื่อแห่งพบไว้นี่แหละจะไม่ไปที่ไหนแต่นี้เมื่อจิตพอนอาการทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ถืออาการเ ห, าเหล่านี้เพียงเป็นหินรับปัญญาให้คมกล้าต่อการพิจารณาจุดอันสาคัญได้แก่จิตวิชาที่เท่านั้น แต่ต้องอาศัยอาการเหล่านี้มีสังขารและบินและสัญญาเป็นสาคัญที่จะต้องซักต้องซ้อมต้องฝึกต้องฝนหรือว่าต้องตบต้องต่อยกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับการฝึกซ้อมมวยนั่นแหละและฝึกซ้อมเอาไปเท่าไรสิ่งเหล่านี้ก็ทํายิ่งทํายิ่งเป็นความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปก็ยิ่งได้รู้ชัดเห็นชัดว่าไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันกันกบอีกหนัก เวทนาก็ถึงจะมีก็ละเอียดอยู่ภายในจิตสัญญาความจำได้หมายลูกเกิดแล้วกวด็ดับเกิดแล้วก็ดับดีเกิดแล้วก็ดับชั่วเกิดแล้วก็ดับหมายอะไรมีตั้งแต่ความเกิดความดับเป็นประจำประจำของตัวอยู่ด้วยปัญญาอันชอบธรรมและรวดเร็วจนกระทั่งเข้าสู่จิตหาที่เกาะที่ยึดมาได้เพราะอิ่มตัวแล้วรู้เองนั อันนี้ก็จะเข้าสู่จุดที่ยังไม่อิ่มตัวคือจุดแห่งพบแห่งชาติได้จะจิตตวิชาจิตจะเข้าพินิษ์พิจารณาในสิ่งนี้เช่นเดียวกับพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายไม่หยุดหย่อนผ่อนกำลังเลย น, นี่สรุปเอาเลยว่าสุดท้ายปัญญาขั้นละเอียดแหลมคมที่ได้สั่งสมตัวมาตั้งแต่เริ่มแรกของปัญญาก้าเดินจนกระทั่งถึงปัจจุบันณจิต ที่จะควรแก่การทําลายพบชาติของตัวเองก็เด่นชัดขึ้นเด่นชัดขึ้นรวดเร็วขึ้นรู้ทันกนมายาของอาการของอวิชชาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางรูปทางเวทนาทัญญาสังขัญญานแล้วก็ถอยเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวอวิชชาเรี่ยววารากแก้วของพบของชาติรากแก้วของกิตเดชทั้งหลายรวมตัวอยู่นั่น ก็เข้าพังกันในสถานที่นั่นแต่ก็จัดกระจายไปนี่ไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นพบชาติจะมาจากไหนที่นี่หมดแล้วสายของพบชาติที่มันเกี่ยวโยงกันไปกว้างขวางมากมายก็ได้ตัดเข้ามาด้วยปัญญาประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งจนโยนเข้ามาถึงหัวตอคืออวิชชาถอนพวดขึ้นมาอีกนี่เป็นปัญญาประเภทหนึ่งเมื่อหมดแล้วหาที่ไหนไม่ต้องฟูลถามพระพุทธเจ้าพูนแล้วสาธุ สารที่เโกรประกาศไว้เพื่อใครถ้าไม่ประกาศไว้เพื่อผู้ปฏิบัติจะต้องรู้เองเห็นเองเพราะอุบายที่สงสอนนั้นชอบทำแล้วเท่านั้นจะเป็นอะไรที่ไหนไปนี่นี่ละการปฏิบัติการพูดทั้งนี้เราพูดจนย่อเข้ามาเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาเวลาแต่เวลาพิจนารณาเรา่าทำแบบสุกเอาเผากินให้ทำจริงๆการพิจนารณาในธรรมแห่ใดต้อง เอาความจริงเข้าว่ากันเลยว่ากันเลยทุกอิยาบททุกขณะของจิตที่ออกในแง่ใดพิจารณาสิ่งใดให้เป็นไปอย่างนั้นด้วยความจงใจนี่แ่ะจึงเรียกว่าทุ่มลงทุ่มลงเพราะพิเรศเป็นสิ่งที่หนาแน่นมากไม่ทุ่มลงขนาดนั้นไม่ทันหนังไม่ถลอกปอกเปิกเลยถ้าพูดถึงหนังก็ดีต้องทุ่มกันลงอย่างหนักทุ่มคราวนี้ทุ่มคราวนั้นหลายครั้งหลายฝนมันก็ค่อยบอกช้าไปสุดท้ายก็ไต่ถึง กระดูกไ้ถึงตับปอดของอวิชชาพังทลายลงไปได้โดยไม่ต้อ ง, องสงสัยเพราะความเพียรฟังแต่ว่าความเพียรเพียรไม่ถอยทนไม่ถอยพิจารณาไม่ถอยสติตั้งไม่ถอยยึดเข้าไปยึดเข้าไปลูกหน้าเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นบอ่อเกิดบอ่อตายมาตั้งตับตั้งกันแต่การไหนเราจะเจอได้ที่กิจ ด, ดวงบริสุทธิ์นั่นแหละ เมื่อบริสุทธิ์แล้วที่นี้ติดต่อกับอะไรจิต ด, ดวงนี้ซึ่งเคยสืบต่อมาโดยลําดับลําดากับภพกกับชาติโดยที่เราก็ไม่รู้แล้วก็รู้มาโดยลําดับจนกระทั่งเข้าถึงหัวต่อถอนขึ้นมาพวดไม่มีใดเหลือแล้วเกิดที่ไหนที่นี่เห็นอยู่ชัดๆบริสุทธิ์อยู่เต็มหัวอกนั่นแล้วจะสงสัยอะไรสันทิ่ตะโกประกาศเต็มภูมิแล้วเวลา น, นี้ในขณะที่อวิชชาพังลงไปเท่านั้น นั่นเรียกว่าจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ศูนย์ไหมนี่ศูนย์แล้วอะไรมาบริสุทธิ์ศูนย์แล้วอะไรมาปรมังสุขขังก็ไม่ถามใครอีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าองค์เอกสอนทำขั้นเอกทั้งนั้นทั้งนั้นให้เราประพฤติปฏิบัตินําเข้าไปต่อกอนกับกิเลสเมื่อถึงขั้นชั้นเอกของจิตแห่งผู้ปฏิบัติแล้วทําไมจะไม่เป็นเอกสําหรับจิต ด, ดวงที่พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วต้องเป็นเอก ไมไ่เป็นมีอะไรเป็นคู่เคียงเลยทําเป็นกิตจิตเป็นธรรมนั่นแหละความเลิศความประเสริฐของท่านอยู่ที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ก็พ้นที่ตรงนั้นเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นไม่มีใครบอกว่าเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นนะ <Finn. S 1> เป็นของอัศจรรย์ที่ตรงนั้นนอกนั้นไม่ น, นอกนั้นไม่ปรากฏป่าสิงใดเป็นสิ่งที่อัศจรรย์และเป็นคู่แข่งแห่งธรรมอันเอกของพระพุทธเจ้าที่ดุพ้นแล้วหรือบริสุทธิ์แล้วนั่นเลยนี่เป็นอย่างไร มันถึงถึงใจของพวกเราทั้งหลายบ้างหรือเปล่าที่เทศเหล่านี้น่ะหรือมันถึงตัต้งแต่รูปแต่เสียงแต่กลิ่นแต่รสเครื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อควรบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาจนหาทางออกมาได้นอนให้กิเลสเหยียบย่าทําลายที่ลถเยี่ยมลดหยุทั้งบวันทั้งคืนนั้นนั่นเป็นของดีแล้วเหลือถ้าดีโลกนี้ดีกันทั้งนั้นไม่มีใครจะมาจมม า, มาบน่นพึมพูมพมพม่พึมพำหรือบ่นอย่างเลือกรับอยู่ภายในใจิตใจของตน ให้เจ้าของได้เดือดร้อนเพิ่มขึ้นอีกเลยอย่าว่าจะมาบ่นให้เพื่อนฝูงฟังเลยย่อมเป็นอยู่ภายกนจิตของผู้มีความทุกข์มากเหมือนกันหมดนี่นถ้าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของวิเศษทําไมโลกึงต้องบ่นกันนั่นที่เป็นของนําคั่นเราเคยมาแล้วมากมาขนาดไหนกลับใดกันใดก็คือกิจ ด, ดวงนี้เป็นกลับเป็นกันมาแล้วที่เกิดและแบกของทุกขมากับความเกิดมากน้อยเป็นอย่างไรบ้างนี่เราหน่าจะนํามาคิดให้ถึงใจ การคิดให้ถึงใจแล้วการประกอบความเพียรก็ต้องถึงใจเช่นเดียวกันเพราะความเข็ดหลาบเป็นสิ่งที่ใครจะกล้าไม่ได้ลงได้เข็นหลาบและต้องยอมทั้งนั้นนี่ถ้าเป็นนังมวยก็หาทางต่อสู้มันได้แล้วถ้าฝืนสู้ไปต้องตายต้องยอมนี่เราเข็นหลาบกับกิเลสก็หาทางออกทำไมเราจะถอยได้การหาทางออกการหาทางต่อสู้เข็ดหลาบกิเลสนั่นคื อ, อรเขินหลาบในกองทุกทั้งหลาย ไม่อยากแดดอยากหามเพราะอำนาจแห่งความเกิดพาให้เป็นไปอีกต่อไปเลยจึงต้องในตะเกียบตะกายให้เต็มกําลังความสามารถของเราทุกในชาตินี้ทุกเธอทุกพราะความเพียรทุกอย่างอื่นเคยทุกมามากต่อมากแล้วทุกจะมาช่างถึงตายลมหายใจขาดดิ้นลงไปก็ไม่รู้กี่พบ ก, กี่ชาตินับไม่ได้แล้วน่าจะทุกเพียงการประกอบความเพียรนี้เราทําไมเราถึงจะย่อหย่อนอ่อนกําลังให โดยที่ให้กิเลสกล่อมไม่รู้สึกตัวเลยเป็นยังไงไม่โง่เกินไปแล้วเหลือลูกศิษสถาคตก็ะเป็นผู้ปฏิบัติจะด้วยอย่างพวกเราเป็นพระกรรมฐานนี่มีที่จุดไหนเป็นที่ภูมิใจของเราในการปฏิบัติด้วยมาจนกระทั่งบัตรนี้เราควรจะนำมากิดมาอ่านไตรจงพอให้รู้เหตุรูผลที่จะทำให้เราได้ตะเกียวตะกายสุดกำลังความสามารถของเราเพราะอุบายวิธีการต่าง ครูบาอาจารย์ก็ดีตำหนักตํานาก็ดี ก, ก็สอนมาแล้วเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ก็แนะนําสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิเต็มกาลังความสามารถของท่านแล้วหาอะไรที่จะปิดบังนี้ลับมาได้เฉพาะอย่างผมเองนี้ไม่มีสอนเต็มภูมิความสามารถทุกตนว่าสามารถมากน้อยเพียงไรก็สอนเต็มภูมิเพราะความเมตตาสงสารนี้เท่านั้นไม่ได้มีอันอื่นสิ่งใดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในหัวใจตรงนี้เลยถ้ามูเพื่อนจะเห็นว่าเป็นของ เป็นสาระสาคัญก็ควรจะขยับตัวเข้าไปทุกวันที่ยาอ่อนลงไปเรื่อยๆอ่ อ, อนเปียกจนใช้ไม่ได้เลยเนี่ยก็จะนับวันเหลเวไหลไหลไหลคูบาอาจารย์ก็เป็นยังไงทุกวันนี้เราก็เห็นด้วยตาของเราไม่ใช่หรือมีอาจารย์องค์ใดที่จะมอบชีวิตจิตใจให้ได้พอที่จะเป็นกําลังใจอบอุ่นใจให้ได้ประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่นี้มันมีองค์ไหนบ้างล่ะพิจารณาสิแล้วคูบาอาจารย์ที่ว่าเหล่านี้ท่านล่วงไปหมดแล้วเราจะเกาะอะไร พิาจารณาสิเรานี้เห็นโทษมาพอแล้วผมเองเป็นผู้เห็นโทษมาก่อนจะไม่พูดให้หมู่เพื่อนฟังจนกระทั่งถึงน้ําตาล่วงพ่อแม่ครูอาจาร์มั่นมาภาพจากไปเพราะปัญหาของเรานั่นเองไม่ใช่เพราะอะไรอยู่กับท่านแม้ท่านจะทุกข์แล้วบากขนาดไหนเพียบขนาดไหนในเรื่องท่านเรื่องขันไอเราก็เพียบในทางด้านจิตใจหัวใจอยู่กับท่านเวลาเกิดข้อข้องใจที่ตรงไหนเจ้าของไปไม่ได้ก็ต้องวิ่งไปหาท่านกราบเพียนท่านท่าน แสดงมาทีเดียวพงังท่านั้นพังทลายลงไปนั่นเห็นไหมนี่แหละคุณค่าแห่งครูบาอาจารย์ที่แสดงต่อเราด้วยความรู้จริงรู้จังเป็นอย่างนั้นไม่ต้องหลายประโยคเพียงประโยคเดียวท่านั้นพังเลยเอาไปอีกทีนี้กิเลสมันมีอยู่มากน้อยเพียงไรเพราะการคุยเคี่ยขุดคน้นทำํำมีตัวเวลาต้องเจอกันจนหน้ากิเลสเมื่อเจอกันแล้วต้องไปฟัดไ้เหวี่ยมกันเมื่อมีครูบาอาจารย์อยู่เราจะไปฟัดไปเหวี่ยมให้มันเสียวเวลาอะไรนักหนา ให้ท่านช่วยอุบายเพื่อจะตัดสกัดลัดกั้นเอ้าไปให้รวดเร็ยวยิ่งกว่านั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นจึงต้องสอดแส่งหาครูาอาจารย์เช่นเดียวกับบรรดาพระสาวกเวลาเกิดข้อหงจัยขึ้นมาแล้วก็ไปปูลถามพระเวทเจ้าให้ทรงสแสดงให้ฟังแล้วก็เข้าไปอยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งได้บรรลุธรรมถึงยมุดุดพ้นแล้วหายสงสัยนั่นเป็นอย่างนั้นที่ในครูาอาจารย์ทั้งหลายที่จะตายอกตายใจทั้งข้อวัดปฏิบัติ ทั้งความรู้ภาณกิจใจมีที่ตรงไหนบ้างเวลานี้มีแต่ล่วงไปล่วงไปแล้วเป็นยังไงจิตใจของเรายังไม่ได้ตื่นบ้างเหรือเราจะอาศัยอะไรพิจารณาเลทางมันไม่เอากจริงออกจังแล้วจะนับบันเหลวแหลกแบกแนวไปนะกิเลศไม่ได้อ่อนข้อให้พึงทราบไว้เสมอเรื่องของยิเลศทําอ่อนเท่าไรยิเลศยิ่งแข็งตัวขึ้นมาแข็งตัวขึ้นมาเนี่ยตอนเนี้ยสําคัญ ถ้าทําอ่อนที่จุดไหนกิเลส จ, จะเข้าที่จุดนั้นแข็งตัวที่จุดนั้นแหละแล้วทําลายเราได้ทุกจุดทําลายเราได้ทุกสิ่งทุกประเภทของกิเลสที่เกิดขึ้นก็มีกํำลังมากน้อยทําลายได้ทั้งนั้นถ้าเราไม่รีบเร่งขวัขวาเสียตั้งแต่บัตรมีแล้วเราจะหาทางก้าวเดินไม่ได้นะมาบวชในศาสนาก็มีแต่ผ้าเหลืองครอบหัวอยู่เท่านั้นคุณธรรมที่จะปรากฏขึ้นจากการเพื่อปฏิบัติไม่มีเลยนี่แปลงยังไงคนเรา นี่จะผ้าเหลืองพาไปสว่างนิพพานได้ไหมถ้าไม่มีธรรมภายในจิตใ จ, จแล้วไปไม่ได้นะหลุดพ้นไม่ได้สติธรรมอัจริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมแล้วก็ก้าขึ้นสู่วิมุตติธรรมนั่นแหละหลุดพ้นที่ตรงนั้นพาให้ปักกันตั้งอกตั้งใจนะนี่านา น, านๆที่ในประชุมทีหนึ่งก่อนจะประชุมแต่ละครั้งแล้วก็ต้องพินิจพิจารณา ในเรื่องธานเรื่องขันโอกาสเพราะความยุ่งมันก็ยุ่ง ม, มากดังที่หมู่เพื่อนเห็นนั่นแหละและนอกจากนั้นยันงทาตนางขันอีกมันเป็นยังไงต้องมาคำนึงคำนวณก่อนที่จะแสดงแต่ละขั้นละขั้นต้องได้พิจนารณาหลายเรื่องหลายเหลา่าวไม่เหมือนแต่ก่อนนี่หมู่เพื่อนตะโกนจะเห็นใจแล้วทุกวันนี้ให้พึงทราบไว้นะให้ทราบไว้ตั้งแต่บัดนี้ถ้ายังไม่ทราบถ้ายังไม่เคยได้คิดไว้ก่อน เรื่องที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไม้ศาสนาเผาไหม้พระเนร์นแต่เพราะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติเราให้พินาฏขาดศูนย์ไปโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนต่อเลยคืออะไรมันลุกลามเข้ามาเวลานี้ก็ดังที่ผมกล่าวเคยพูดแล้วว่าไฟฟ้าเข้ามาในวัดนี้ไม่ใช่ของดีก็เท่ากับตามเอาข้าศึกอันใหญ่หลวงเข้ามาด้วยในขณะเดียวกัน ไฟฟ้าเพื่อความสะดวกมันสะดวกอะไรถ้าเราเราพิจารณาแล้วนวัตกรรมฐานของเราเนี่ยมันสะดวกอะไรแสงสว่างไฟก็มีแล้วแสงสว่างแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติด้วยความสะดวกไม่มีอะไรมาทําลายนั้นเป็นยังไงอะไรดีกว่ากันแสงสว่างแห่งใจด้วยอํานาจแห่งธรรมกับแสงสว่างของไฟต่างกันอย่างไร บ, าบ้างเพียงเท่านี้ก็พอไปวัดไปเทียบกันแล้วจําเป็นอะไรจะต้องประหาร พืนท้าไปเข้ามาเผาไม้วัดวาอาราธเมื่อเบื้องต้นก็จะต้องพูดว่าเพื่อความสะดวกเนี่ยเบื้องต้นก็ว่าเพื่อความสว่างอันดับที่สองก็เพื่อสะดวกเช่นตู้เย็นแต่ตามเข้ามาคนนั้นสะดวกตู้เย็นคนนี้สะดวกสิ่งนี้คนนั้นสะดวกสิ่งนั้นนี่สองประโยคแล้วเริ่มเข้ามากรรมฐานก็ต้องอ่อนแอลงไปออกแอลงไปอะไรถ้าไม่ได้ใส่ตู้เย็นแล้วกินไม่ได้ฉันไม่ได้เป็นกรรมฐานตู้เย็นแต่แล้วจากไฟฟ้าเป็นยังไงบ้าง เราได้คิดพิจาราอย่างพระพุทธเจ้ามีตู้เย็นใหม่พระสาวกอธารานท่านมีตู้เย็นทไหมท่านมีสิ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านมีใหมดูที่ในตำลักตำนามไม่อ่านมาด้วยกันทุกคนทำไมจะไม่เห็นโกหกกันได้อย่างไงคำภีร์มีไวเพื่อให้อ่านให้ดูให้คิดให้อ่านให้ไตรตรองทำไมจะไม่คิดอ่านถ้าหรือเราดูเพื่อ อ, อ่านเพื่อทำจริงแล้วนะพิจารณาสิแล้วนะอันดับต่อไปก็คืออะไร นลเทวทัตโทรทัตวิดีโอจะตามเข้ามานี่ละถ้าอันนี้ได้เข้าแล้วยังไงก็พังหมดวัดวาอาวาตศาสนาไม่มีอะไรเหลือทำลายกันตรงในพระทำรายาศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งภาปฏิบัติของเราเป็นผู้ทำลายาศาสนาถ้านำอันนี้เข้ามาก็เข้ากลับมาทำลายเราซะสุดร้อนหาทางหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งจงหีกปัทสาก็ยิ่งจมยิ่งหายขายความเลวทรามตัเดิมดั แล้ก็ยอมรับก็ยอมรับเหมือนคนตายยอมรับเอาแบบดือด้อๆยอมรับหาตายไม่เอาเข้ามานั่นสิมันเป็นความถูกต้องยีงามเพราะสิ่งที่เป็นภัยก็รู้อยู่ด้วยกันทุกคนอันนี้มันเป็นของดีของดีอะไรเป็นเรื่องของโลกของศาลเราที่เคยใช้กันอยู่อย่างนั้นเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของพระของเนนผู้ต้องการอัดต้องการทํา สถานที่อยู่ผู้ทีเจ้าก็บอกอยู่แล้วตั้งแต่ต้นมาเป็นยังไงลูกขโมโรเซนาตัลังไล่เข้าป่าเข้าเขาที่สถานที่นั้นเป็นสถานที่ปลอดภัยไร้กังวลไม่มีสิ่งอันตรายอะไรรูปเสียงกินนกสมบัติปริวานหญิงชายเข้าไปเกี่ยวข้องรบ ก, กวนไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นสะดวกสบายมีการมันเป็นธมนธรรมก็สะดวกสบายและไม่มีอะไรเป็นภยัยต้นไม้ไม่ได้เป็นภยัยดูต้นไม้ก็ดูได้ดูใบไม้ก็ดูได้ด้วลงมาเป็นอัดเป็นตามที่ถ้าผู้มีสติ ป, ปัญญาพิจารณา ธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นเป็นหลักธรรมชาติของตนผู้พิจารณารมต้องพิจารณาโดยหลักธรรมชาติเอามันเกิดมันแก่มันแตกสลายทำลายมันมีเหมือนกันทั่วโลกดินแดนอยู่ในป่าก็ยิ่งได้พิจารณาให้เห็นชัดลงไปใบ ไ, ไม้ร่วงใบหนึ่งนี่มันเป็นยังไงมันถึงร่วงเนี่ยมันหมดกำลังของมันมันก็นล่วงธาตุขันเราหมดกำลังแล้วจะไปไหนอายุจะอยู่ข้ามธาตุหรือมนุษย์เรานั่นมันเป็นเครื่องสั่งสอนอยู่อย่างนั้นไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นมีแต่ความปลอดภัยและกัวงวลเสริม อาจเสริมทาขึ้นสติก็ดีปัญญาก็รวดเร็วความเพียรก็ดีไปอยู่ในฐานที่กลัวๆเท่าไหรความเพียรยิ่งดีตั้งอยู่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนการตั้งสติตั้งปัญญาตั้งความเพียรตั้งทั้งกลางวันกลางคืนก็คือการเสริมจิตใจของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงเข้าไปจิตใจที่ได้รับการอารักขาคือการระมัดระวงังการบํารุงรักษาจากเจ้าของย่อมมีความจเจริญลูปดวงเข้าไปเป็นลำดำับๆนั่นสถานที่ฉะนั้นเป็นอย่างนั้น แล้วสถานที่มีสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงที่นิพพินนาที่เราดูที่เทวทัศน์โทรทัศน์เป็นยังไงเราก็เห็นกันด้วยทุกบุคคลผีเรื่องกี่ลาวแต่พาะอย่างยิ่งอันวีดีโอนี่เป็นของสําคัญมากนะหลายเล่หลายเหลี่ยมหลายสันพันคมจะว่าปรมาโูก็ไม่ผิดแต่ว่านิวเคลียร์นิตรอนก็ไม่ผิดแล้วเบิดทําลายหัวใจพระทําลายพระศาสนาทำลายพระเณรให้แหลกเลวไปหมดไม่มีอะไรเกิดอันนี้มันจะมีตั้ง ต้ อ, องการอะไรจะไปค้นไบคว้าหามาละที่เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่เต็มโลกเต็มสารนรกจกเปลืเต็มไปอยู่ในกับสิ่งเหล่านี้แหละแล้วผู้จิตที่เป็นนรกจกเปลืกขนาดนั้นแล้วทําไมมันจะไม่ไปสอดส่องหามาทําลายเจ้าของให้แหลกเหลือไปหมดถ้าลงหนึ่งขนาดแล้วหมดศาสนาไม่มีอะไรเหลือเลยหากว่าพระเนรกรรมาฐานของเราเป็นอย่างนั้นให้เผาทิ้งเสียวัดอย่าเาไว้เลยให้โลกเขาได้สะดุดตาสะดุดใจว่าวัดนี้เป็นวัดของพวกวีดีโอเป็นวัดของพวกเทวทัตทรทัตที่เอามาไว้ในวัดนี้ เห็นวัดทีไรเขาจะสะดุดใจตรงนั้นตรงนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องสังหารพระหน้าด้านแล้วให้เผาทิ้งจะต้องวัดเลยพระก็ย้ายามันเหลืออยู่ในวัดนั่นมันก็ถึงขนาดนั้นมันมันจะเป็นไปได้ต้องเป็นอย่างนั้นมันจะมันจะสมกับพระหน้าด้านอย่างนั้นไม่มองดูอัดดูทําเลยทําไมสิ่งเหล่านี้เป็นฆ่าศึกหรือเป็นเป็ น, ปนภัยหรือเป็นคุณต่อศาสนาดูเอาซิ หาเรื่องหาราวอะไรมาพูดเห็นกันอยู่ชัดๆเนี่ยเนี่ยเฉพาะ ว, าวิดีโอนี้สําคัญมากนะไฟมรารคกันสู้มาได้เลยถ้าว่าเป็นศาสตร์อาวุธรำลายศาสนาะก็เิ้วเพียวเฮียรอนั่นแหละไม่ใช่อันอื่นอะไรเลยเอาให้แหลกได้หมดไม่มีเหลือเลยถ้าเน้นถ้าลงได้มีอันนี้เข้าในวัดแล้วหมดจริงๆเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาเรื่องอะไรไดก็ตามเรื่องทําทั้งหลายไม่ได้มีอะไรความหมายเลยเหมือนกันกันกบเราเผาบ้านเผาเรืองเผาเรือนให้ชิบหายวาดเปิงไปหมดแล้ว เอาฟักแฟงแตงโมมาปลูกนั่นแหละเราจะหวังว่ากำไรพับจากฟักแฟงแตงโมมาปลูกเป็นยังไงกับบ้านเรือนหมดไปทั้งหลังหลังหนึ่งมันราคาเท่าไหรบ้านเรือนสมบัติเงินทองที่บรรจุอยู่ในบ้า น, นเรือนมีมากขนาดไหนถูกไฟไหม้ไปหมดหแล้วเราจะจะว่าปลูกฟักแฟงแตงโมขายเอาเอ า, เอาเงินอวดหรือแข่งสมบัติทั้งหลายที่ถูกไฟไหม้ที่หายไปแล้วนั้นมันมีอย่างหรือโลกกนี้พิจารณาสิ นี่หละเรื่องอันนี้ถ้าลงได้เข้าในวัดในวาแล้วเป็นเหมือนกับเอาฟืนออกไปมาเผาวัดเผาวาเผาศาสนาเผาพระเผาเนินแล้วเราจะหวังความดีจากอะไรพินาสิปลูกพักแฝงแตงโมที่ตรงไหนพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทั้งหลายนี่จะเป็นได้แน่ๆไม่สงสัยเราจึงได้วิตุวิจารอยู่เสมอเกี่ยวกับวงคณะปฏิบัติของเราเนี่ยอย่างไรก็คิดหายเลยถ้าลงอันนี้ได้เข้าแล้วหมดคำว่ากรรมฐานอย่าถามถึงเลย นอกจากก็ไฟเผาจะต้งหมดวัดนั้นย่าให้มันมีสะดุดตาประชาชนญาติโยมให้เขาได้สลดสังเวชไปนานเลยพอามองเห็นแล้วก็โอ้นี่วัดเป็นวัดของพวกเทวทัศน์เป็นวัดของพวกวิดีโอที่ทํล้าศาสนาอย่างทิ่หายผลปีหน้าด้านๆนั่นแหละเนี่าเขาจะได้คิดอยู่ตลอดอยู่เรื่อยไปและเป็นความทุกข์ความทรมานความสลดสังเวชแก่ประชาชนญาติโยมที่เขามีศีลมีธรรมเขามีสมบัติผู้ดียาให้เขาได้เห็นได้นานขนาดนั้นเผาทิง้งจะให้หมด อย่าให้มีเหลือเลยอย่างนั้นจะพอเหมาะพอดีกันท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เข้าใจหรือยังที่ผมเทศอย่างนี้ผมหาเรื่องอุตริท่านทั้งหลายตังเหรอพิจารณาสิเรื่องเหล่านี้เป็นภัยหรือเป็นคุณต่อาศาสนาธรรมต่อผู้ปฏิบัติเฉพาะ อ, อย่างนี้นักบวชกรรมฐ า, านทั้งเหล่าเนี้มันเป็นภยนัยขนาดไหนพิจารณาสิหรือเราไม่ต้องไปหาหลีกแพ่งหลีกอาญาอะไรละ่ะหลีกไปเท่าไหร่ยิ่งจมยิ่งจมเพราะสิ่งนี้รู้กันอยู่ชัดๆแม้แต่เด็กก็รู้อย่าว่าแต่ผู้ใหญ่เลย แล้วพระธรอะจะไม่รู้มีอย่างหรือถ้าไม่ใช่พระนาด้านจริงๆจะทํำไม่ดงจะจะไม่อาเข้ามาจะไม่เกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ายัางไงเรื่องธรรมนี้เห็นกันอยู่ทุกผู้ทุกคนไม่ในเห็นอยู่ทุกคนจะเอาอะไรมาอวดมาอ้างว่าตัวฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านอกจากฉลาดแบบเทวทัตทำลายศาสนาให้ล่มจมทั้งตัวเองไปด้วยเท่านั้นเองจึงจะเป็นไปได้ที่จะเป็นความจริงนอกจากนั้นหาความจริงไม่ได้แล้วเป็นยังไงพวกเราที่อยู่ที่นี่ ได้พากันสะดุดหัวใจบ้าเพือเปล่ามันเป็นยังไงนักปฏิบัติเรานี่มันจะเป็นไปน้าไม่นาน่ะเวลานี้่เพราะมันด้านเข้าไปด้านเข้าไปแล้วสิ่งที่เป็นโทษก็เห็นว่าเป็นคุณสิ่งที่เป็นคุณก็กลายเป็นว่าเป็นโทษไม่จํำหรือเห็นว่าไม่จําเป็นไปเสียจะมีแต่สิ่งเหล่านี้ทำลายจิตใจทำลายพระเดือนของเราก็จะหมดไปเหมือนไปศาสนาจะจม ถ้าลงอันนี้ได้เข้าในวัดในวาแล้วหมดไม่มีอะไรเหลือเลยพูดได้คําเดียวว่าหมดเท่านั้นเองตายทั้งเป็นก็คืออันนี้เองมันเหลื อ, อยังแต่ผ้าเหลืองมันเป็นประโยชน์อะไรผ้าเหลืองในร้านตลาดมันอดอยากที่ไหนก็การปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นของง่ายเมื่อไหร่ผู้ลเจ้าผู้เป็นศัดสนาที่ขนขวับมาแสดงทำด้วยพระเมตตาแก่เรานี่ยากขนาดไหนลาบากขนาดไหนเราทําไมคือต้องเป็นดังนั้นได้นี่มันเข้ากันได้หรือกับเกีรตนาของผู้ล้เจ้าที่ทรงสั่งสอนโลกกลับหัวใจของเราที่ กำลังจะร่มจมอยู่ด้วยสิ่งชิ้มหายทั้งทั้งเป็นอย่างนี้นะเอาพิรณาให้ชั้นนะเรื่องอย่างนี้มันจะเป็นแน่แล่ะในวงกรรมาฐานเหล่านี้ไม่ต้องพูดที่อื่น่ะเป็นโดยไม่ต้องสงสัยถ้าลงเป็นแล้วกระหมดจริงๆนี่ให้ท่านทั้งหลายได้คิดเป็นข้อคิดได้ฝังใจเอาไว้ให้ได้ระมัดระวังเราเป็นผู้ต้องการอัดต้องการทำทำม่อยู่ในสถานที่เช่นนั้น เราจะอวดรู้อัดฉลาดว่าจะทัาเอาสิ่งนั้นมาเป็นอัดเป็นธรรมได้พระพุทธเจ้ายังไม่เห็นมาเป็นอัดเป็นทำพระพุทธเจ้ายังกลัวยังสอนให้กลัวอีกแล้วทําไมเราจะกล้าเก่งกว่าศาสดาไปตรงไหนอีกนั่นถ้ามาจะไม่ขายตัวซะจนเกินโลกเกินจงกรวาลจนฟังไม่ได้เลยพูดง่ายๆ่าโลกนี้ถ้าเป็นหูมนุษย์เรานี่ฟังไม่ได้เลยจะออกตัวก็ออกแบบไหนก็ออกเถอะไม่มีหูใดที่จะฟังได้ถ้าเป็นหูมนุษย์แล้วนอกจากหูหมามันจะฟังได้ พ่อหมาไม่รู้เรื่องเรื่องราวอะไรมนุษย์นี่รู้นะเราจะหาวิธีออกตัวไปทางไหนหลกักธรรมินัยท่านสอนว่าอย่างไงใครจะเก่งกว่าศัสดาในโลกกว่านี้เราจะอวดเก่งกว่าศัสดาได้หรือถ้าไม่ใช่ตั้งหน้าเป็นเทวทัตเต็มตัวแล้วจะอวดแข่ ง, ขงพระพุทธเจ้าไม่ได้เราต้องระมัดระวังสิ่งกว่านี้เป็นภัยโดยไม่ต้อ ง, งสงสัย จะโง่จะฉลาดขอขอให้อยู่ตามหลักทำหลักที่ไงหลักฮะหลักเน้นของเราเถิดรักปฏิบัติของกรรมฐานเหล่านี้เถิดคุยว่าอาจารย์พระดำเนินมายัางไงเอาจะเกียบตะกายตา่ำนี้อย่าเอาเข้ามาฟืนไฟอย่าเอามายุ่งนะตั้งแต่อยู่ในหัวใจของเรานี้มันก็มากต่อมากแล้วร า, าคากินาโทสักกินาหมอกินะเผาไหมาอยู่ทั้งเป็นตลอดเวลาอยู่แล้วเรายัางจะกําจัดปัดเป่ามันออกก็ยังจะไปหาฟอาพื้นไฟข้างนอกที่ไหนเข้ามาอีกให้มาเผาเข้าอีกทีว่าหมดไม่มีอะไรเหลือเลยว่าอย่างนี้เราพูดอย่างนี้เต็มได้เต็มปากเลยเคาจะว่าบ้าก็ว่า ความจริงมันมีอย่างนี้จะให้ว่าอย่างไงนั่นแหละฮะแล้วมันระวังอะ้มากนะโอ้นเราถลดมจังเวอร์อ่นะเรื่องดังนี้นะนี่ละเรื่องที่จะตามมาเรื่องของกิเลสไม่อ่อนข้อมาหลายแบบหลายวิธีการดังที่ว่านี่หลายเล่หลายเหลี่ยมหลายสันหลายขมถ้าเราผู้ปฏิบัติทำไม่ได้ช้าติปัญญาพิณิพิจนะกันกองอย่างละเอียดถีถ่วนแล้วยังไงก็จมเฉพาะพคนมายาของกิเลสที่มาในประเภทต่างๆนี้โดยไม่ต้องสงสยัย ตั้งใจพากันพิจารณานะอย่างนี้ยังหนึ่งก็ยังดีอยู่ผมก็ยังได้แนะนําตักเกตือนสั่งสอนหมู่เพื่อนอยู่เวลายังมีชีวิตอยู่ผมตายไปแนละ้วเรื่องมันจะจะพลอยเสียหายไปมากมีอยู่นะไม่ใช่คุ้มอวดการพูดนี้พูดเพื่อผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเดี๋ยวจะติดร่างแหเข้าไปเสียโดยไม่รู้สึกตัวเพียงแนะนําต่างสอนเตือนไว้ให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นภัยมหาภายัยไม่ใช่ภัยธรรมดาภัยมหาภายัยภัยอย่างล่มจม ในวงศาสนาของพู้ทีเจ้าของเราเนี่ยจะเสียชิดผายไปเฉพาะสิ่งเหล่านี้แหละแล้วเรานักบวชเราพระเป็นอันดับหนึ่งเป็นหัวหน้าเขาถ้าล่มจมก็พวกนี้เป็นล่มผู้ล่มจมก่อนแล้วแล้วจะให้ญาติโยมเขาพึ่งอะไรญาติโยมเขาเขพึ่งพระถ้าประเภทไหนที่ควรจะอุ่นตาใจมันก็รู้นี่คนเรามันควรเย็นใจควรอบอุ่นเขาก็อบอุ่นควรเย็นใจเขาก็เย็นใจควรตราบคน ว, ว่าเขา ก, กลา ว, ว่าความอบอุ่นทํานี่เป็นของสําคัญมากที่เป็นเกาะอันสําคัญให้ประชาชนญาติโยมทั้งหลายได้ยึด คือเราเป็นที่แน่ใจของเราเองประเพฤติปฏิบัติอา้าวจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนตั้งเกีะแต่ ก, กายอยู่เพื่อความเจ้ไขก็ให้ยังเย็นเจ้าของก็ยังเย็นยังขอปุ่มแล้วคนอื่นเขาก็ายังพอพลอยอนุโมทนาด้วยพากันพิจิตรพิจารณานะเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญมากผมนี่วิจิตรวิจารณ์เอามากจริงๆเพราะพระมันประเภทพระจรุดดาวเทียมมันกําลังแสงแตัณหาขึ้นไปนีมีมากนะเวลานี้ทันสมัยเนี่ยมีเยอะ แล้วเราจะเป็นประเภทไหนให้ถามปัญหาถามเราด้านนี้ดีดีกว่าคนอื่นว่าให้ครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้ก็เพียงแต่ว่าให้แง่ให้หนัยให้อุบายเพื่อนำไปพิจารณาปฏิบัติต่อตัวเองให้เหมาะสมเท่านั้นการพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้พูดเพื่อจะดูถูกเหยียดหามเพื่อจะทําลายหมู่เพื่อนก็พูดเพื่อเป็นอัดเป็นทำต่อหมู่เพื่อนเต็มหัวใจแล้วความเสีย ห, หายจะเอามาจากช่องไหนในการแนะนำต่างสอนอย่างนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องคิดหายจริงๆ มันจะไปไหนถ้าไม่ไปสู่ความคิบหายแล้วดูที่อวิชชาท่านทรงสั่งสอนในอัดในทมไล่เข้าป่าเข้าเขาที่บําเพ็ญ ท, ท, ที่ไหนที่สงบวงเงียบในสะดวกแก่การบําเพ็ญเพื่ออัดเพื่อทำจะได้เข้าครองหวัวใจท่านไล่เข้าไปในสถานทีนน่ท่านไม่ไล่เข้าไปหาสิ่งอย่างนี้นี่นะในตลาดเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองเขไปหาเทวทัศวีโอท่านไล่เข้าไปที่ไหนเมื่อไรท่านไล่หนีทั้งนั้น สถานที่ใดไม่น่าอยู่ท่านก็ บ, บอกท่านก็ บ, บอกวิธีการบำเพ็ญธรรมบอกไว้หมดในธรรมทั้งหลายเราจะรูอวดรู้อาาัาฉริยแข่งพระพุทธเจ้ามันก็ยิ่งเรวลงไปโดยลำดับดายเลยหนีทางยกรมก็จะมีแหละในวัดต่างๆอ่ะงนนี้ผมก็สรดปสองเรืเหมือนกันนะแล้วนานไปนานไปทางโยกรมของวัดของพระาากรรมฐานจะมีมีแต่ชื่อนะ อันใดที่ให้ให้กลัวมันกลับกล้าแล้วเดินอย่าอันไหนที่ให้กล้ามันกลับกลัวพ่อถอยน้อยใจถ้าสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อฟืนเพือไฟเผาตัวเองและผู้เกี่ยวข้องแล้วมันรวดเร็วไม่มีอะไรสู้อ่ะนี่อันนี้เป็ น, นมันเริ่มเป็นเนี่ยจึงได้พิจารณาว่าอ๋อศาสนาเสื่อมนี่เสื่อมอย่างนี้เองเนี่ยมันอดไม่ได้ดีป่ะเพราะมันรู้อยู่นี่ เรื่องจะทําให้ศาสนาเสื่อมมีแต่ผลลบผลลบอากัปกิจยาใครแสดงออกยังไงยังไงมันส่วนมากมีแต่ผลลบผลลบผลบวกไม่ค่อยมีนั่นแหละผลลบนั่นคือศาสนาเสื่อมเสื่อมไปเรื่อยเล็กกน้อยสุดท้ายก็หน้าด้านก็ตัดขา ด, ขาดสะ บ, บั้นลงไปหมดเลยไม่มีอะไรเป็นชิ้นต่อเหลือพอเป็นดอกเป็นผลให้ได้กราบไหว้บูชาเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นนั่นนะ mm hmm. อ่ละเท่นี่พอ